จบเสียงานทศพ ล, ลยานพรรัตนาสุวรรณอ่านโดยอริยคุณเผยแพร่พต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุญาตแต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นนะครับขอทุกท่านร่วมอนุทนาผู้ร่วมจัดทาเพิ่มเติมอีกดังต่อไปนี้สสิธรปรมสวัสตรปัญญาโกจันพลพร อ, อภิวัฒนาเสวี ประพลหรืหันชโนโดมครอบครัวศิราภาสกุลครอบครัวงามสุริยพงศ์ปติตาเชื้อทองวิชานมนทาทิบกุลมงคลรังเกียรแก้วเปรมฤดีมีแสงนินพินยดาร่มโพผดุงแสงทองอัชราโสภาสุการดาเคนสุโภภัยโรดคอนเอมและอีกหลายท่านซึ่งไม่ประสงค์ออกนามสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง